ที่เคารพทุกท่านครับนี่คือรายการทำและทัศนาชีวิตผมวสินินทศระจะได้มาพบกับท่านผู้ฟังเรื่องที่กําลังคุยกับท่านผู้ฟังอยู่ก็คือเรื่องพระรันตนใจการถึงพระรันตนใจและคุณของพระรันตนใจตอนนี้กําลังพูดถึงเรื่องของพระพุทธเจ้าจยู พระเฉรียภาพของพระพุทธเจ้าคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าได้พูดมาบ้างแล้วนะครับวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องพุทธสีปธส่ประเภทพุทธสี่ประเภทก็มีสัมมาสัมพุทธะนะครับประเภทที่หนึ่งสูงสุดก็คือพระสัมมาสัมพุทธะท่านผู้ตรัสรู้เองโดยชอบเดี๋ยวจะขยายความ ที่สองก็คือพระปเจกับพุทธท่านผู้ตรัสรู้เองโดยเฉพาะตนเฉพาะทนแต่ไม่สั่งสอนไม่ตั้งศาสนาจะเกิดขึ้นในระหว่างที่เป็นพุทธันดรจ่างที่พูดมาบ้างแล้วนะครับประเภทที่สามก็คืออนุพุทธะหรือสาวกพุทธะเป็นผู้รู้ตาม ได้รู้ตามได้ฟังธทรรมแล้วก็รู้ตามพระพุทธเจ้าพระเภทยรที่สี่เกิดสุตตพุทธะได้แก่ท่านผู้เป็นพราอุสุตแม้จะยังไม่เป็นพระอริยะยังไม่เป็นพระอริยาบุคคลแต่เป็นผู้รู้ธรรมมากเรียกว่าสุตตพุทธะเป็นพุทธะคือเป็นผู้รู้ธรรมะเป็นพระสูต อันนี้เรียกว่าสุดาพุทธะอันนี้ก็ขอขยายความนิดหนึ่งนะครับแต่พระสัมมาสัมพุทธะก็คือท่านผู้ตรัสรู้เองโดยชอบคือโดยถูกต้องพระธรรมที่ท่านตรัสรู้นั้นเป็นธรรมที่ถูกต้องอย่างที่เราสวดกันว่าสวากาโตภควตาธรร ม, มูกระธรรมนั้นพระภูมิพระภาคเจ้าจัดไว้ดีแล้ว ถูกต้องแล้วแล้วก็เมื่อจัดสรู้แล้วก็ได้ทรงสั่งสอนผู้อื่นให้รูตาบเห็นตับทรงตั้งศาสนา ส, สั้งสังฆมณฑนเพื่อสืบศาสนาต่อไปไม่ต่อมาจนถึงบัดนี้จนปัจจุบันนี้ประเภทที่สองคือพระปัจเจกพุทธนั่นก็คือท่านผู้คนไาย หาทางออกจากความมืดขนขวายนะครับมีหลายท่านหรือจํานวนไม่น้อยอ่านว่าขวนขวายข้นขอวอนอไม่ใช่สละอ้วนแต่ว่าเป็นสละอ้วนเป็นข น, นขนขวายนะครับท่านผู้ข้นขวายหาทางออกจากความมืดด้วยตนเองเหมือนกับพระสัมมาสัมพุทธ เ, ธเจ้า แต่ไม่ส่งตั้งศาสนาไม่มีสังฆมณฑลสระปฏิเจ้พระพุทธเจ้านี้จะอุบัติขึ้นในสมัยที่เป็นพุทธันตรนคือการที่ว่างจากศาสนาของพระพุทธเจ้าในเวลานั้นไม่มีศาสนาของพระพุทธเจ้าองใดองค์หนึ่งเลยไม่มีใครรู้จักพุทธศาสนาเลยเป็นเวลานอกพุทธกาล ถ้าท่านเกิดในพุทธกาลและได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก็กลายเป็นสาวกพุทธหรืออนุพุทธไปทีนี้พูดถึงพุทธกาลพุทธกาลนี้ก็มีสองอย่างคือพุทธกาลตามประวัติศาสตร์รหมายถึงระยะเวลาที่พระพุทธเจ้าอย่างทรงพระชนมนอยู่ อาจจะทิ้งเอาตั้งแต่ประสูตรหรือตั้งแต่ทรัศรูก็ได้จนถึงปรินิพานอย่างนั้นก็ได้แล้วก็พุทธการตามความหมายทางศาสนาอันนี้หมายถึงระยะเวลาที่ยังมีศาสนาของพระพุทธเจ้าอยู่ตามในายานีท่านจะท่านจะเห็นว่าเวลานี้ก็ยังเป็นพุทธการอยู่ เวลานี้ยังเป็นพุทธการอยู่นะครับพุทธกาลตามความหมายทางศาสนาไม่ใช่ความหมายทางประวัติศาสตร์ทีนี้ประเภทที่สามอนุพุทธหรือสาวกาพุทธเนี่ยหมายถึงท่านผู้ได้ฟังรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้รู้ตามเห็นตามอย่างสูงก็หมายถึงพระอริยบุคคลสี่จพวกคือพระโสดาบัน พระสักระคามีพระอนาคา ม, าคามีและพระอรหันต์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์เป็นคฤหัสก็ได้ก็เป็นสาวกะพุทธะเป็นอาโนพุทธะสาวกะสังคโฆครับที่ท่านสวดทศาสาวกาสังคโฆปะควโตสาวกะสังคโฆสุปฏิพันโนอนี้ถ้าเป็นสมมติสงอ์ท่านก็เรียกพิกุสังคโฆ ไม่เรียกสาวกสังโคแล้วในบทสวดมนต์ที่สวดกันอยู่ในสังฆคุณใช้คําว่าสุปฏิปันโนขุชุปฏิปันโนญาญาปฏิปันโนซามีจิปฏิปันโนเพราะเาว่าโตสาวกสังโคถ้ายังเป็นสมมติส่งอยู่คือยังไม่เป็นแล้พระอริยะก็ใช้คําว่าพิกุสังโคอย่างเวลาถวายสังฆทานสังเกตนะฮะเวลาถวายสังฆทานเนีย พิกุสังคัสสะโอโนชยามะขเปเจ้าขอน้อมถวายแก่ภิกษุสงฆ์พิกุสังคโคพิกุสังคัสสะสาธุโนพันเตพิกุสังคโฆขอภิกษุสงฆ์จงรับเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าปเจ้าทั้งหลายทีนี้มาถึงประเภทที่ 4, สี่สุตตพุทธก็คือท่านผู้รู้โดยการฟัง ท่านผู้เป็นพุทธะโดยการสะดับจับฟังการศึกษาเล่าเรียนกันเป็นเทสูตรนะครับเทาสูตรแต่ว่าเล่าเรียนมากศึกษามากรู้มากเข้าใจมากในเรื่องธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ไระสาวกของพระพุทธเจ้าที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเลิศทางเทสูตรก็คือพระอนตพระอนุเทร ะ, ะก็เป็น ได้รับการยกย่องว่าเลิศทางเป็นพระอสูตธ์ังมากแต่ว่าคนที่จะเป็นพะอสูตธก็ต้องมีคุณสมบัติมีคุณสมบัติของพระอุสุทธ์เช่นว่าสุตะทะโรสุตะสันนิจเจโฌเป็นคนที่ทรงสุตตะศึกคือว่าศึกษาเล่าเรียนมากสุตะสันนิจเจโฌสั่งสมมากสั่งสมสุตะมาก คือว่าได้ยินได้ฟังมากสั่งสมมากตาจําได้มากไม่ใช่ได้ยินได้ฟังอ่านมากฟังมากแต่ว่าจาอะไรไม่ได้เลยผ่านไปหมดเลยอย่างนั้นก็ไม่พร้อมเลยคุณสมบัติแล้วก็วจาศาปริจิตาครองว่าได้ครองตาวจาศาบริจิตตาว่าได้ครองเวลาจะว่าขึ้นมาก็ว่าได้ครอง มนานสานนเปกิตาเอาใจเข้าไปใคร่ครวนใคร่ครวนด้วยใจใครกครวนทำอยู่เสมอข้อไหนยังไม่ค่อยเข้าใจก็เก่งพินิดใคร่ครวนมนานสานนเปกิตาแล้วก็ดิตติยาสุปฏิวิทาก็จะแทงทะลุด้วยทิฏฐิใช่ไหมว่าเห็นทะลุโปร่ง เห็นได้ทะลุปรุงโปร่งไม่ว่าจะยกประเด็นอะไรขึ้นมาเข้าใจทะลุปรุงโปร่งทบทวนอีกทีนะครับเพื่อจะตกล่นสุตทะทโรสุตะสันิจโยธะะะาธาตาวัจจะซาปริกิตตุปฏิวิทธาห้าอยะางมีคุณสมบัติห้าอยะาก็มีเรื่องเล่าเอาไว้ในตำราของเรานะครับในตำราของเรา ดูเหมือนจะเป็นอัตตะขามหาโคโสิงค์ษารสูตรนะครับอ้างในมงคลที่ปณิภาวัจชะคตาว่ามีพราหมณ์คนหนึ่งพรามคนหนึ่ง อ, อ, อยากจะบูชาพระธรรมอยากจะบูชาพระธรรมการบูชาพระพุทธเจ้าอก็บูชาแล้วการได้บูชาพระสงฆ์ก็ได้บูชาแล้ว น, นี่ ทำอย่างไรจะได้บูชาพระธรรมคิดอย่างนี้แล้วก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าอทูลถามว่าทำอย่างไรจะได้บูชาพระธรรมทีนี้ก็พระพุทธเจ้าท่านก็ชัดว่าก็ให้บูชาภิกษุที่เป็นพระอุสุติให้บูชาผู้ที่เป็นพระอุสุทีนี้ก็พรามก็ขอให้จัดบอกภิกษุที่เป็นพระอยสุ พระพุทธเจ้าท่านไม่บอกเองไม่ตรัดบอกเองบอกไปถามภิกษุสงฆ์ก็แล้วกันไปถามภิกษุสงฆ์ก็แล้วกันพระามคนนั้นก็ไปหาภิกษุสงฆ์แล้วก็ถามว่าถามถึงผู้ที่เป็นพระอุสุภิกษุสงฆ์ก็บอกว่าพระอานนท์พระอานนท์เทระนั่นแหละเป็นพระอุสุภ ร, รามก็ได้บูชาพระอานนท์ด้วยจีวรราคาจานวนพัน ราคาเป็นพันอันนี่คือว่าบูชาผู้ที่มีธรรมมากเป็นครั้งแห่งธรรมผู้ที่เป็นครั้งแห่งธรรมนั่นแหละคือเป็นเป็นสิ่งแทนธรรมรัตนะเป็นสิ่งแทนพระธรรมบางทีท่านก็ใช้คำว่าเป็นธรรมเจตีธรรมเจตีหมายความว่าเป็นที่บรรจุพระธรรมเป็นที่บรรจุพระธรรมก็ พระเทระของเราบางรูปบางรูปน่าจะชื่อว่าธรรมเจตีเพราะว่าท่านเป็นที่ตั้งของพระธรรมเป็นที่บรรจุอยู่ของพระธรรมฝ่ายกรารวทาในสมัยพระพุทธเจ้านี่จิตาคาบดีนั่นได้รับยกย่องว่าเป็นธรรมกัึกเป็นผู้กล่าวธรรมดีมากก็เป็นที่บรรจุพระธรรมไปที่ไหนก็ภิกษุสงฆ์ก็มาเสถาม ข้อสงสัยแก่กับจิตตะกหาปฏีจิตตะกะหาปฏิเคยมีภิกษุบางรูปเป็นภิกษุผ่านกล่าวร้ายหรือว่ากล่าววาจาไม่ดีต่อจิตตะกหาปฏิซึ่งเป็นขฤหัดพระพุทธเจ้ารับสั่งให้ไปขอโทษให้ไปขอโทษจิตตะกหาปฏิก็เรียกว่าปฏิสาณียกรรมคือว่าให้ะระลึกถึงความผิด แล้วไปขอโทษใครเริ่องอะทีนี้มีข้อน่าสงสัยอยู่อย่างหนึ่งที่ว่าทําไมพระพุทธเจ้าจึงไม่ดัดบอกเสียเองว่าใครเป็นพระอุสุทั้งๆ ท, ที่พระองค์ก็ทรงทราบอยู่แต่ว่าให้ไปถามภิกษุทั้งหลายไม่ดัดบอกเสียเองก็ถ้าจะให้สันนิษฐานก็เห็นจะเป็นเพราะว่าถ้าพระองค์จัดบอกเองอุปตากอเป็นเลขานุ ก, กาลส่วนพระองค์ อเดี๋ยวเขาจะเข้าใจว่าเป็นการเล่นพวกเล่นพ้องหรื อ, อะไรทํานองนั้นก็เลยเอาไปถามภิกษุทั้งหลายก็แล้วกันต้องรู้ที่ว่าอภิกษุทั้งหลายบอกใครก็ให้ไปบูชาคนนั้นก็แล้วกันอนี่ก็พูดถึงสุตตพุทธะนะครับสุตตพุทธะผู้ที่เป็นพุทธะโดยเป็นพระอุสุอันนี้ก็เป็นอีกพวกหนึ่งเป็นพวกที่สี่ ก็มีพุทธะอยู่สีจําพวกตามที่กล่าวมาเนี่ยนะครับวันนี้ก็จะกล่าวถึงพระธรรมบางเล็กน้อยตอนนี้นะครับมาถึงวาระที่จะพูดถึงพระธรรมพระธรรมคืออะไรพระธรรมก็คือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ า, เ, าเรียกว่าพระธรรมวินัยบ้าง เ, าเรียกว่าปาพดบ้างปาพดพอปลาสลากาเนี่ยนะครับพดก็พจชนะเนี่ยนะปาพดบ้าง เรียกว่าพรมเรียกว่าศาสนาบ้างเรียกว่าพรมจันทร์บ้างเรียกว่าพุทธธรรมบ้างอันนี้มีคำเรียกหลายคำในสมัยพระพุทธเจ้าเมื่อจวนจะไปนิพพานพระพุทธเจ้าตรัสกับพระอนุนว่าเธอทั้งหลายอาจจะคิดว่าปาพดมีศาสดาล่วงไปแล้วอันนี้เป็นสำนวนสำนวนบาลีของท่านผมก็ทอดออกมาเลย ปาพศคือคำสอนเนี่ยนะครับหรือศาสนาที่มีพระศาสดาล่วงไปแล้วพวกเราไม่มีศาสดาอีกแล้วพวกเธออย่าพึงเห็นอย่างนั้นทำวินัยอันใดที่เราบัญญัติแล้วแสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายทำวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาของพวกเธอในการล่วงไปแห่งเราคืนก่อนผมก็พูดเรื่องนี้นะครับว่าทำวินัย เป็นสิ่งแทนพระพุทธเจ้าอันนี้ข้อความนี้จากมหาปรินิพพานสูตรพระเจ้าอิโตแกรมสิบข้อหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดหน้าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดทำวินัยอันใดที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วทำวินัยอันนั้นแหละจะเป็นศาสดาของเธอทั้งนั้นแล้วคำว่าปาพศนั่นแปลว่าคำที่เป็นประทานปาพศป า, าอาจารย์ว่าอาจารย์ อาจารย์ปาจานนั่นคืออาจารย์ของอาจารย์ปาเจราจริยาหนติเวลานัเวลานักเรียนเราสวดไหวครูปาเจราจริยาหนติพุนุตตะลานุสาสกานั่นนะปาเจราก็คือปาจานก่อนก็ได้ปาพจน์เป็ประธานก็ได้เพะนปาพจน์แปลว่าคำเป็นประธานคำที่เป็นหลักก็หมายถึงพระพุทธพจน์นั่นเองพระพุทธพจน์ บางทีก็เรียกพระบาลีพระบาลีก็คำว่าถ้าใช้คำวมาพระบาลีก็หมายถึงพระไ ต, ตรปิฎกต่อมาก็เป็นอัตตะถาอัตตะถาดีกานุดีกาก็ไล่ไล่เรื่อยลงมาเป็นหลักฐานชั้ น, นต่างๆนี้ก็บางทีก็ใช้คำว่าศาสนาคำวมศาสนาแปล ว, ว่าคําสั่งสอนก็ได้แปล ว, ว่าการปกครองก็ได้และที่แปลว่าคําสั่งสอนนั้นเราคุ้นเคยกันอยู่แล้ว ที่แปลว่าการปกครองก็หมายถึงการปกครองตัวเองศา ส, สนามุ่งให้คนปกครองตัวเองได้แต่เมื่อทุกคนปกครองตัวเองได้ก็จะไม่มีความยุ่งยากในเรื่องการปกครองบ้านเมืองหรือการจัดระเบียบของสังคมที่นี้จะอยู่กันอย่างสงบสุขโดยไม่ต้องเบียดเบียนกันไม่เอาเปรียบกันศา ส, สนาคือการปกครองปกครองตัวเอง ถ้ายังปกครองตัวเองไม่ได้ก็ต้องถูกปกครองโดยผู้อื่นยิ่งปกครองตัวเองไม่ได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งถูกปกครองมากขึ้นเท่านั้นเช่นว่าปกครองตัวเองไม่ได้ไปทำผิดรารแรงจนถึงกับไปติดคุกติดตลาดก็ต้องถูกปกครองอยู่โดยตลอดในคนที่ปกครองตัวเองได้โดยการไม่ทำความชั่วทั้งปวงการทากุศลให้ถี่พรอการทาจิตให้บริสุทธิ์ นี่ก็คือศาส น, นาที่ว่าเอตังพุทธานาศาส น, นานี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าทาั้งหลายอันนี้ก็ความหมายของพระธรรมยังมีอีกหลายคำครับแต่เอาเวลาหมดซะลเอาเท่านี้ก็ได้ครับเอาแค่นี้ก็ได้สำหรับวันนี้ผมก็ข อ, อยุติโดยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนแล้วก็ขอความสุขสวัสดีความเจริญ ทางทางโลกและทางธรรมก็พึงมีแด่ท่านที่ผู้อุปถัมภ์รายการทุกท่านทุกคนและขอความจเจริญพึงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดีครับ